สร้างวิริยะบารมีเพราะวิริยะนี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้เราทำในสิ่งที่เราตั้งใจเช่นเราตั้งใจจะทาสร้างฐานบารมีพอถึงเวลาที่จะต้องทาฐานเราก็ต้องทาเช่นสมมติว่าเรามีพระผ่านมาทางบ้านที่บ้านเราทุกวันเราก็ตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะใส่บาตรทุกวัน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 ดังบทสวดที่เราสวดกันว่าสัเพสัตตาอเวราโหณตุคือ จ, จงอย่ามีเวรกันเถิดอภัยาปัจ ช, ชาหหนตุ u, จงอย่าเบียดเบียนกันเถิดอย่าทำร้ายกันเถิดอันนีคาหหนตุขอให้มีความสุขกายและสุขใจเถิด น, นการให้เข้าของแก่ผู้อื่นก็เหมือนกับการให้ความสุขกายและสุขใจแก่ผู้อื่น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 ไม่ถือโทษกอดเครื่องทําให้เราให้การช่วยเหลือกับผขาได้การช่วยเหลือนี้ก็การช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เรียกว่าทานบารมีการให้ให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นตามกําลังของเรามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยถ้าไม่มีเลยก็ ไม่ก็ไม่ต้องให้เพราะไม่มีอะไรจะให้นี่คือเรื่องของทานบาลมีที่เป็นขั้นแรกของบาลมีต่างๆขั้นที่สองก็คือศีลบาลมีศีลบาลมีก็คือศีลห้าการรักษาศีลห้าก็คือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองก็ออกมาจากเมตตาบาลามีเช่นเดียวกัน อป บ, บยาปัชฌาโหตุจงอย่าเบียดเบียนกันการไม่เบียดเบียนกันก็คือการไม่ฆ่ากันการไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตการไม่ประพฤติผิดประเวณีการไม่พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงการไม่ดื่มสุรายาเมาที่จะทําให้ขาดสติที่จะไม่สามารถ ยาบยัย้งหักร้ามจิตใจความคิดที่จะไปคิดทําร้ายผู้อื่นพอไม่พอไม่มีสติยับยัง้งพอคิดจะทําร้ายก็จะทําร้ายเลยแต่ถ้าไม่ได้ดื่มสุรามีสติประครับประคองใจไว้เวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ระงับความคิดไว้ได้เมื่อระงับความคิดได้การกระทํา ที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะรักษาศีลได้จะไม่ฆ่าได้ไม่ลักทรัพย์ได้ไม่ประพฤติผิดตัวเองีได้ไม่โกหกหลอกลวงได้นี่ก็บารมีขั้นที่สองต่อจากทานบารมีขั้นที่สามก็คือในกรร ม, มบารมีก็คือการละเว้นจากการหาความสุขทาง กามารมณ์ต่างๆทานกามคุณหคือทางตาหูจมกูกเิ่นกายก็คือต้องรักษาศีลของนักบวชก็คือศีลแปดขึ้นไปศีล8นี้คือศีลของนักบวชเป็นในขมมะบารมีเพราะศีลแปดนี้จะจะปิดประตูหรือจะยับยั้งการหาความสุข ทางตาหูจมูกลล่นกายเช่นศีลข้อสามปกติถือว่าเป็นไม่ประพฤติผิดประเวณีคือจะไม่หลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนแต่ถ้าถือศีลแปดศีลข้อนี้ก็จะเป็นอภรมมจรารยาเวรมณีก็คือจะระงับการร่วมหลับนอนกับทุกคน กับคู่ครองของตนจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันจะหาความสุขจากการสร้างอุเบกขาบารมีคือการทําใจให้สงบถ้าเรามัวแต่เสพการอยู่มัวแต่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิ มาทาใจให้สงบเป็นอุเบกขาเราก็ต้องละเว้นการร่วมหลับนอนกันแล้วก็เพิ่มสีข้อที่6ก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็าการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก็จะเป็นนิวรนเป็นอุปสรรคต่อการสร้างอุเบกขาบารมี คือการนั่งสมาธิเวลานั่งจะมีความง่วงเหงาหงานอนนั่งหลับนั่งสับ ป, ประงกและจะมีความรู้สึกเกลียดคลานไม่อยากจะนั่งเวลารับประทานอาหารนี่แล้วก็อยากจะนอนหนังตาหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแต่ถ้าเรารับประทานอาหารพอประมาณเช่นไม่รับประทานหลังจากเท่มันไปแล้ว พอช่วงบ่ายๆท้องก็จะว่างจะเบาเวลานั่งสมาธิก็จะไม่รู้สึกง่วงเหงาหานอนอันนี้ก็คือสิ่งข้อหกสิงข้อเจ็ดก็คือเราจะไม่เสียเวลาให้กับการหาความสุขทางมหรัรสยและทางบันเทิงต่างๆเช่นการดูภาพประย์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 ตาหูจมูกเล่นกายอยู่ไปรงภาพยนตร์ไปสถานบันเทิงไปร่วมงานเลี้ยงต่างๆเวลาที่เราจะมาภาวนาก็จะไม่มีและเวลากลับมาจากงานเลี้ยงก็จะเหนื่อยอยากจะนอนพระพุทธเจ้าจึงต้องให้พวกเร า, าจเริยในคขัมมะอะบารมีคือถือศีล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 พอรู้สึกสบายกับการนอนบนผูกน้นหนาก็จะนอนต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโมงทำให้ต้องเสียเวลาที่จะเอามาใช้ในการบมเพ็ญสมถะภาวนาคือเจริญอุเบกขาบารมีถ้าไม่ต้องการจะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆพื้นที่ไม่ ไม่สุขไม่สบายนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้จะนอนบนพื้นไม้พื้นแข็งก็หลับได้สบายเวลาร่างกายเหนื่อยแล้วอยู่ในอิรยาบท์ไหนก็หลับได้พอหลับแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายบางท่านบางองค์นี้ท่านถือเนท่านถือในสัตชิกก็มี คือท่านจะถือสามอิรียบททนั้นคืออิรียบทเดินยืนกับนั่งจะไม่ไม่ให้นอนถ้าจะหลับก็ขอให้หลับในสามอิรียบทนี้ให้หลับในท่ายืนในท่านั่งหรือในท่าเดินถ้าถือสามอิรียบที้การหลับพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่นาน เช่นเวลานั่งก็อาจจะหลับสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเต่งขึ้นมาท่านก็จะได้นั่งสมาธิต่อไปได้นี่คือในอขัมมะบา ร, รมีคือการออกจากกวามมสุขการไม่หาความสุขทางลูกเสียงกลิ่นรสผลถะพระ ท, ทางตาหูจมูกลล้นกายเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่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 แต่ถ้าไม่มีความสามารถเช่นร่างกายชราภาพหรือเจ็บไข้ได้ป่วยการที่จะเติมความสุขเหล่านี้ก็จะเป็นไปได้อย่างยากเย็นลาบากแทนที่จะเป็นความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ทุกเพราะว่าสังขารร่างกายไม่เ อ, อื้ออำนวยและถ้าทุกข์เพราะว่าไม่สามารถเติมได้ถ้าร่างกายทําไม่ไหวแล้ว อันนี้คือความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่นำไปสู่ความทุกข์ผู้ที่เ จ, จรจาจึงควรที่จะละเว้นจากการหาความสุขแบบนี้ควรจะหาความสุขที่เกิดจากการสร้างอุเบกขาบารมีเพราะผู้ที่มีอุเบกขาแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุข และการสร้างอุเบกขาบารมีนี้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายปัจจัยที่จะสร้างอุเบกขาบารมีนี้เรียกว่าสติสตินี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเราไม่ต้องอาศัยอะไรไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสต้องมีทั้งตาหูจมูกเิ้นกายที่ดี ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะที่ถูกออกถูกใจถึงจะได้ความสุขแต่การหาความสุขทางกายทางร่างกายนี้ก็อย่างที่พูดมันเป็นมันมีอุปสรรคมันมีไ ม, ไม่ไม่มีความแน่นอนบางที่ตาหูจมูกล่างกายดีแต่ไม่มีปัจจัยคือเงินทองที่จะไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะที่ถูกถูกออกถูกใจได้ ก็ไม่สามารถหาความสุขได้แต่ความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสปวดกระพะใช้สติเพียงอย่างเดียวผู้ที่อยากจะเจริญอุเบกขาบารมีอยากจะทําใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขักับตา ร, รมสักแต่ว่ารู้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 อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรืออยู่กับการดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายในทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้จิตเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ดูอยู่กับกิจกรรมนั้นถ้าเฝ้าดูอยู่กับกิจกรรมนั้นใจก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ถ้าไปคิดถึงเนื่องนั้นเร่องนี้ก็แสดงว่าไม่ได้อยู่กับกิจกรรมของร่างกายแล้วบางทีเราก็ต้องใช้หลายอย่างช่วยกันถ้าเฝ้าดูร่างกายแล้วมันยังว่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ก็ใช้พุทโธกํากับเข้ามาคือเราเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเราแต่ใจเรายังว่าไปคิดอย่างนั้นเร่องนี้น เราก็ดึงกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธควบคู่กันไปดูร่างกายด้วยแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปด้วยเพื่อที่จะดึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันเพราะการที่ใจจะเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาได้นี้ต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันต้องไม่มีความคิดตรงแต่งต่างๆนี่คือเวลาที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเราจะบริกรรมพุทโธก็ได้ ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เวลานั่งสมาธิหลับตาเราก็จะใช้การดูลมหายใจแทนดูร่างกายก็ได้หรือจะใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือจะทำพร้อมกันทั้งสองอย่างก็ได้พูดเข้าโทออกก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทอันนี้อยู่กับความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติ วิธีไหนที่ทำแล้วทำให้ใจไม่คิดทำให้ใจตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวก็ให้ใช้วิธีนั้นไปแล้วใจก็จะรวมลงสู่อุบเบกขาได้พอใจเป็นอุบเบกขาแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอุบเบกขาชั่วคราวพอออกจากสมาธิมา ถ้าไม่คอยรักษาอุเบกขาไว้อุเบกขานี้ก็จะจางหายไปได้วิธีที่รักษาอุเบกขาก็รักษาได้สองวิธีรักษาด้วยสติหรือรักษาด้วยปัญญาคือสร้างปัญญาบารมีขึ้นมาถ้าใช้สติก็เป็นการรักษาแบบชั่วคราวเราก็ต้องเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไป ต้องบอริกรรมพุโทโธพุทโธต่อไปใจก็จะได้ไม่ไปคิดปุงแต่งไม่ทำให้เกิดตันหาความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาอุบเบกขาก็ยังจะตั้งอยู่ใจก็ยังจะว่างยังจะสบายอยู่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 เพราะเป็นงานเป็นการที่ที่จะต้องทำสิ่งที่เราต้องการก็คือเติมน้ำให้เต็มตุ่วแล้วก็จบไม่ต้องเติมอีกต่อไปได้ความสุขแล้วก็ให้มันคงอยู่ไว้ตลอดไม่ให้มันมีวันหมดจะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขแบบนี้ได้นอกจากความสุขใจที่เกิดจากการการทำใจให้สงบทำให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา แล้วก็รักษาอุเบกขานี้ด้วยปัญญาก็คือการระงับความอยากต่างๆด้วยการสอนใจไม่ให้ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับตนถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่ก็จะไม่เกิดความอยากไม่อยากจะหาความสุขทางตางหูจมูกเลี้ยงกายไม่อยากจะหาความสุขกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้หรือสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้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 ผ่านทางร่างกายได้ก็เกิดความทุกข์ตวาดเวลาจนทนไม่ไหวแลถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปนี่คือความสุขที่เกิดนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการับตัญหาการกระทําตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลึกพระให้รับพิจารณาให้เห็นโทษแล้วเราจะได้นางงับตันหาตัวนี้ได้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 ที่ภาวะตันหาได้ก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจก็จะเป็นอุเบกขาเวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหน์เวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ท่านตายนี่จิตใจท่านจะเป็นอุเบกขาศักดิ์วาูุจะเป็นปรมังสุขขันใจจะสุขตลอดเวลา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 อันนี้เราต้องพิจารณาให้รอบครอบให้เห็นว่าความจริงแล้วร่างกายนี้เราสั่งไม่ได้เสมอไปในที่สุดเราจะสั่งไม่ได้เวลาที่เขาแก่เราสั่งให้เขาไม่แก่ไม่ได้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เวลาเขาตายห้ามเขาไม่ได้ถ้ามีวิภวตัญหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะมีความวุ่นวายใจ มีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างว่าถ้ามีปัญญาระงับวิภาวะตัณหาไดา้ใจก็จะมีอุเบกขาก็จะสักแต่ว่ารู้ใจก็จะเฉยๆกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือปัญญาบาลมีที่จะเจริญต่อจากอุเบกขาบาลมีก่อนที่จะเจริญอุเบกขาบาลมีก็ต้องเจริญเนคข ม, มะบาลามี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 ตอน้นก็ทำแบบอลองชิมลางไปก่อนเช่นอาทิตย์หนึ่งก็ทำสักวันหนึ่งในวันพระปกติถือศีลห้าพอวันพระก็มาถือศีลแปดเพื่อที่จะได้มาบาเพ็ญเมฆขัมมาบารามีกับอุเบกขาบารามีและปัญญาบารมีถ้าเป็นนักบุญก็ยังไม่ต้องบาเพ็ญถึงขั้นนั้นนักบุญก็บาเพ็ญท า, บาบนบารมีกับศีลบารมีไปก่อน ก่อนที่จะเป็นนักบวชได้ต้องเป็นนักบุญก่อนถ้ายัางรักษาศีลห้าไม่ได้ทำทานไม่ได้จะไปรักษาศีลแปดได้อย่างไรจะไปบาเพ็ญให้คำว่าบารมีได้อย่างไรต้องรักษาศีลห้าต้องทำทานให้ได้ก่อนต้องมีเมตตาตอบสัพระทั้งหลายก่อนถึงจะทำทานได้ทำทานได้แล้วก็จะรักษาศีลได้ วัรักษาศีลห้าได้แล้วก็เริ่มขยับเข้าสู่การรักษาศีลแปดทำจากน้อยไปหามากตอนต้นก็เอาอาทิตย์ละวันแล้วต่อมาถ้าเห็น <ST> S> <S เห็นผลเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นคุณค่าของการภาวนาทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้มีปัญญาก็ทําเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มเป็นสามวันหรือจิต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 มันก็เป็นการเจริญบารมีแบบเดียวกันก็คือเจริญเนคข ม, มะบารมีเจริญอุเบกขาบารมีเจริญปัญญาบารมีเหมือนกันดังนั้นเรื่องของเพศของของวัยของสถานภาพของนักบวชจึงไม่มีความสำคัญเท่ากับบารมีที่จะต้องสร้างสร้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานภาพในการสร้างนี้มีความต่างกัน ตามตามความอาสมมุตินิยมเท่า น, นั้นเองเป็นผู้หญิงสมัยนี้ก็บวชภิกษุณีไม่ได้ก็ต้องบวชเป็นชีไปผู้ชายยังบวชเป็นพระได้ก็บวชเป็นพระไปบางท่านก็ไม่บวชเป็นชีก็เป็นอุบาสิกาไปนุ่งดำห่มขาวไปถ้าบวชเป็นชีก็นุ่มขาวห่วมขาวโคนสีสัน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 เขาจะเป็นอะไรเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้นั่นเองไปห้ามไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ไปวุ่นวายใจไปเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายอยู่อย่างนั้นเหมือนกันทำไปทำไมทำแล้วทุกไปเปล่า ทำไปแล้วก็เดือดร้อนอันนี้แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราสร้างอธิษฐานสร้างสัจจะอธิษฐานแล้วก็สร้างติดตามตามด้วยวิริยะบารามีและขันติบารามีเราตั้งใจจะทำอะไรเราก็รักษาความตั้งใจนั้นไว้ด้วยการกระทาที่ไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอย อย่างที่หลงตาท่านพูดว่าสู้ไม่ถอยผู้ที่สู้ไม่ถอยนั่นแ่ะคือจะเป็นผู้ที่จะชนะผู้ที่สู้แล้วถอยก็เป็นผู้ที่แพเพราะจะไม่มีวันที่จะชนะได้ขึ้นไปชกสองสามหมัดก็ยกธงขาวแล้วอย่างนี้ก็แพตลอดเลยลแต่ถ้าสู้ไม่ถอยก็ต้องชนะเขา อ, อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของ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 ก็เอาวันหยุดทำงานของเรานี้เป็นวันพระแทนวันไหนเป็นวันหยุดของเราเราก็เอาวันนั้นเป็นวันพระเพรา่อไปเป็นวันที่สะดวกต่อการบาเพ็ญบารมีนี่เองวันนั้นเราก็จะละเนขมะบารมีอุเบขาบารมีปัญญาบารมีไม่อ่งนั้นเราจะถูกกิเลสคอยมาอ้างว่าวันพระก็ตามต้องทำงานเช่นวันพระไปตรงกับวันทำงาน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 เช่นถ้าไม่ใช่เป็นวันพระก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่วัดได้วัดนี้เขาจะให้ญาติโยมไปถือศีลกันในวันพระไปนอนในอุโบสถกันเรียกว่าไปถืออุโบสถศีลกันแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์บุตรก็จะปิดพระก็จะไม่มีการแสดงธรรมเทศนาดงั้นทางาศาสนาคือทางวัดนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อที่จะอำนวยความ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 แล้วก็ญาติโยมก็สามารถที่จะมาอยู่บําเพ็ญได้ตลอดเวลาถ้ามีที่ว่างนี่ก็มาอยู่ได้อยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันอย่างน้อยก็สามวันก็จะสะดวกเพราะว่าญาติโยมอย่างนี้ก็จะหยุดวันเสาร์อาทิตย์กันก็จะมาวัดมาบําเพ็ญบารมีต่างๆในวันหยุดและวันในวันหยุดการทำงานกันถ้าวัดไม่เปิด ก็จะไม่ทําไม่ได้บางวัด น, นี้จะเปิดแต่เฉพาะวันพระเท่านั้นคือวันพระจะเปิดให้ญาติโยมมาอยู่วัดได้มาปฏิบัติข้างแรมที่พระอุโบสถได้แต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไม่มีกิจกรรมเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันยิ่จังคือความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกเปลี่ยนไปสมัยก่อนเรายึด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 ไว้ในการผลักดันจิตใจของเราให้ได้สร้างสิ่งที่ดีสิ่งที่จะทําให้ใจของเรานั้นจเจริญก้าวหน้ารุง่งเรืองขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดก็คือให้เราหมั่นจเจริญเมตตาบารมีมันจเจริญทานบารมี ม, นนน ม, มนันเจริญศีลบารมีมันเจริญเนคขมะบารมีมันจเจริญอุเบขาบารมี มันจเจริญปัญญาบารามีเพราะบารามีเหล่านี้แหละที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดมรรผลนิพพานขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดได้นอกจากการบาเพ็ญบารามีทั้งสิบนี้เท่านั้นดังนั้นก็ขอให้ท่านจงใช้ปัญญาพิจารณาในช่วงเข้าพรรษานี้ว่าจะ จเจริญจะสร้างบารมีกันแบบไหนดีอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่าของชีวิตนี้ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบารมีเพราะเมื่อเพื่อพราะว่าเมื่อไม่มีเวลาแล้วต่อไปก็จะสร้างไม่ได้ถ้าชีวิตนี้ถึงจุดจบแล้วก็จะไม่สามารถสร้างบารมีได้ก็จะต้องรับผลที่เราทํา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 ทำสร้างทานบารมีด้วยการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกบวชเพื่อสร้างศีลสร้างเนคคัมมะบารมีแล้วก็สร้างอุเบกขาบารมีสร้างปัญญาบารมีด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพลินด้วยความอดทนท่านจึงได้รับผลอันสูงสุดภายในชาตินี้เลย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 การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาหรือาาวาหาปุราปาริปุเรนติสการลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานาังอุปกัปรปติ อิจ um ิตังปะทิตังตุลหังเิปะเมวะสมิจตุสัพเหปุเรนตุสังกะปาจันโทปันนะระสุยถามณิโชติระสุยถาสัภีติโยวิวาจานตุสัพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีคายุโกภวะ พิวาทานสีฤทธานิจังวุฒาปจายโนจตารุธมมาวทานติอายุวันสุขังภาลัตามไปนี้ก็จะ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 ครัาจารย์ครับวันนี้ระหว่างนั่งฟังธรรมก็เกิดอุบายและสภาวะธรรมครับคือว่าที่พระอาจารย์ได้เทศไว้ตลอดว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยเราต้องจิตจดจอ่ออยู่กับคําที่แสดงออกมาแล้วปกติเวลาถ้าเรานั่งหลับตาขับสมาธิเนี่ยหลายครั้งที่หลับครับอาจารย mm ์ hmm. วันนี้ก็เลยนั่งฟัง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 มักหลงผิ ด, ผดในบางเรื่องหรือบางครั้งยินดีไปกับคําสรรเสริญเยนยอแต่เมื่อเริ่มกลับมาปฏิบัติธรรมความหลงต่างๆก็หายไปมากส่วนคําสรรเสริญเยินยอเมื่อได้ยินก็จะยินดีแต่จะไม่หลงไปกับมันในลักษณะรู้แล้ววางยินดีแล้ววางสาเหตุหลักเกิดจากสิ่งใดเวลาเราภาวนา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 เราก็จะสามารถระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงได้อย่างถาวรพอได้ปัญญาแล้วความโลภความโกรธความหลงหมดแล้วทีนี้เราหยุดปฏิบัติมันก็จะไม่ฟืนขึ้นมาอีกเช่นเราไม่ปฏิบัติอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนี่หลังจากที่ท่านได้ทำลายความโลภความโกรธความหลงหมดไปจากใจแล้วท่านไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วการเดินจงกรมการนั่งสมาธิของท่านนี้กลายเป็นกิริยา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 ส่วนระดับปัญญานี้เราเรียกก็เป็นระดับโลกุตระคือโลกิยะก็เคยยังติดอยู่ในโลกนี้ยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่ส่วนโลกุตระนี่เป็นการหลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดจะอยู่ในโล ก, กุตระได้นี้ต้องใช้ปัญญา ต, 4, ต้องเห็นอริยสัจสต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ซึ่งมีอยู่สี่ระดับโลกุตระธรรมก็คือโสดาบันสกริรดาคาเมอนาคามีอาลหาันนี่นี่คือระดับโลกุตระธร ร, รมต้องเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมากถึงจะอยู่เหนือโลกได้ถึงสามารถทำลายกิเลสตัณหา ตัวที่นึงจิตใจผูกจิตใจให้ติดอยู่กับโลกโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเวลานั่งสมาธิจิตสงบก็ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของโลกียะก็คือระดับพรห ม, มโลกแต่เป็นการขึ้นไปด้วยการกดกิเลสตัณหาไว้ด้วยสติเวลาจิตถูกลา ง, งับความคิดปรุงแต่งกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงก็ถูกลา ง, งับไป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 ไปศึกษากับครูบาอาจารย์กี่รูปท่านก็ได้แค่ระดับโลกียะคือได้ระดับสมาธิเท่านั้นแตพระพุทธเจา้าบอกว่ามันมีขั้นสูงกว่านี้เหนือกว่านี้ต้องหาให้เจอแล้วในที่สุดท่านก็หาเจอเจออริยสัจสี่เจอตายรักนี้พอเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักก็ตัดตัณหาความอยากตัดกิเลสความโลภกดหลงไปให้หมดไปจากใจได้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 การพูดการกระทาได้ก็จะสามารถรักษาศีลได้ด้วยอำนาจของสติในเบื้องต้นและปัญญาคือเห็นโทษของการกระทาที่ไม่ดีทำไปแล้วนำความทุกข์ความเสียหายมาให้กับตนเองและผู้อื่นคำถามข้อต่อไปพระอาจารย์อาจจะตอบไปแล้วนะครับแต่ก็จะถามนะครับเข้าพรรษานี้หากเรามิได้บวชเป็นพระพิสุ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 เราทำไรายได้ก็ทำไปตั้งสัจจอธิษฐานแล้วก็ทำไปตามกำลังของเราครับต่อไปเป็นคำถามที่มที่มีผู้เขียนฝากถามมานะครับข้อแรกนะครับในการนั่งสมาธิและเดินจงกรมเมื่อปฏิบัติไปได้สักพักใหญ่เราวๆาสักสองชั่วโมงจิตรวมลงสู่สมาธิแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป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 ใหม่ๆก็จะอยู่เพียงเดี๋ยวเดียวที่เรียกว่าคานิกะสมาธิถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจมังสติอย่างต่อเนื่องต่อไปจิตก็จะสงบนานขึ้นนานขึ้นไปตามลําดับเขาจะอยู่ได้นานไม่นานเราก็อยากไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนนี่เราไม่ไปยุ่งกับร่างกายถึงเวลาคับร่างกายพากผ่อนพอแล้วเขาก็จะตื่นขึ้นมาเอง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 เหมือนกับเราน้ําเข้าไปแช่ในตู้เย็นถ้าเราแช่หนาทีออกมาน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายเย็นแล้วยังไม่ทันเย็นเสียด้ซ้ําไปแต่ถ้าเราแช่ไว้นานพอเราออกมาที่ข้างนอกมันก็ยังจะเย็นนานความเย็นของใจหรือความอเุเบของใจนี่แหละที่จะเป็นฐานของปัญญาให้เราสอนใจให้ระงับตันหาความอยากต่างๆ ถ้าใจเราไม่เย็นใจเราไม่มีอุเบกขานี่เราจะพิจารณาทางปัญญาไม่ได้เพราะพอออกมาจากสมาธิปับกิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาหมายถึงว่าถ้าอยู่ในสมาธิเดี๋ยวๆพอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะดึงใจให้ไปคิดตามกิเลสตัณหาทันทีแต่ถ้าอยู่ในสมาธิได้นาน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 สอนให้มองอนิจจังเช่นะให้ดูร่างกายให้ดูสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงมีอาการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดสัพเพสร้างฆาราอนิจจาสงขาญทั้งหลายก็คือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของต่างๆนี่เป็นเหมือนกันหมดคือมีส่วนที่เจริญแล้วก็มีส่วนที่เสือ่อม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 เหมือนกับเราพาคนที่ขอทานไปกินอาหารเราพาไปกินข้าวแกงข้างถนนก็ได้เราพาไปกินอาหารในโรงแรมก็ได้อยู่ที่เราเราอยากให้กินระดับไหนเราก็พาเขาไปกินตามสถานที่นั้นเราทำทานน้อยก็เหมือนกับให้อาหารทิพย์เน้อยถ้าเราทำทานมากเราก็ให้อาหารทิพย์เมากถามต่อข้อต่อไปนะครับ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 คือต้องปล่อยวางขันหา้าปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาให้ได้ร่างกายอะจะแก่จะจะเจะ็บ จ, จะตายก็ต้องปล่อยวางไปเวทนาจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้ทุกข์ไปเพราะเราไปแก้เขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเห็นอริยสัจสีเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราเอง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 ให้กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเจอเขาก็สอนก็ให้ปฏิบัติที่เขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เรื่องของเขาอีกล่ะบางทีเขาก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติพอ ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็อยากจะไปหาเงินหาทองอยากจะไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่ม เ, เราก็ทำอะไรไม่ได้หมดแล้วนะ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 สรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะรับได้ก็มีพวกเดียวก็คือพวกเปรตนี่พวกอื่นนี้เขาก็มีข้อจํากัดถ้าไปตกนรกก็ไม่สามารถออกมารับลูกได้ถ้าเป็นเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาเองได้ถ้าเป็นเทวดาเขาก็มีทรัพย์ของเขาเขามีบุญของเขาอ่าดัง น, นั้นก็มีพวกเดียวก็คือพวกที่เรียกว่าเปรตนี่แต่เปรนี้อาจจะไม่ใช่เป็นญาติกับเราก็ได้ ถ้ายากของเราไม่ได้เป็นเปรตเราทําบุญแล้วเราก็อุทิศให้กับเปรตที่ไม่ใช่เป็นยากของเราไปอบุดแล้วใช่ไหมบุมดแล้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านตั้งหลายแนะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ